จิตคนเราก็เหมือนกับต้นไม้ถ่ายรนาดน้ําให้ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆบำรุงอยู่โดยสม่ําเส ม, มอก็อมีความสดชื่นดีและเติบโ ต, ตขึ้นได้เร็วกว่าปกติธรรมดาที่ที่ง่าตกระต่ายโดยไม่บำรุงรักษาจิตใจเมื่อบำรุงรักษาอยู่โดยสม่ำเส ม, มอก็อมีความ งใสมีความสงบเงียบเงย็นเป็ น, นลำดับๆไปถ้าขาดการรวมวงมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดจากการมรมวงหานระยะใดก็แสดงความอับเฉาสิ่งเพราะสิ่งที่จะทำให้อับเฉามันมีแท้หรือภายในจิตใจของคนเราอยู่แล้ว กาบำรุงรักษาอยู่ด้วยอิตาภาวนาเลยสนองเส ม, มอจจิงมีความสงบเพิ่มเย็นขึ้นเรื่อยเยมื่อจิบมีความสงบความสงบ ก, กับความป่องใสก็เพิ่มเป็นไปในระยะเดียวกันเมื่ิบมีความสงบ เราจะพิจารณาแต่ตรองอะไรก็ได้เหตุได้ผลพอเข้าออเข้าใจตามความปีนทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาทั้งภายนอกและภายในตัวเองหากจิตกําลังว่าวุ่นขุมม่นมัวอยู่จะคิดอะไรก็ไม่ได้หรอกทั้งนั้นแหละถูกก็เป็นผิดแต่ป็นผิดก็ยิ่งเป็นผิดไปได้เรื่อยฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรโภคแตจิตจะได้มีความสงบร่มเย็นและผ่องใส มองเห็นเงาของตัวเหมนกับน้ําที่ใสสะอาดมองลงไปในน้ํามีกวางมีน้ํามีสัตว์อะไรอยู่ภายในน้ําก็เห็นได้ชัดแต่ถ้าน้ําขุ่น ม, มองลงไปก็ไม่เห็นเว่าจะเป็นกวากเป็นน้ำเป็นสัตว์ชนิดใดที่อยู่ในน้ํานั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จิตใจก็เช่นเดียวกัน อะไรที่แสงอยู่ภายใน จ, จิตใจมากน้อยไม่สามารถที่จะมองเห็นโทษของมันทั้งๆที่มันเป็นโทษอี่ภายในใจขอ ง, ของเราตลอดมาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะ จ, จิตใจไม่ผปรงใสพิจารณาไม่เห็ น, นต้องควบคุมจิตให้มีความโปร่งใสแล้วก็เห็นเงาของตัว เงานั้นมันแสงอยู่ภายในจิตคืออาการต่างๆที่แสดงออกจากจิตนั่นแหละท่านเรียกว่าเงาและทำให้เราตื่นเราหลงอยู่เสมอด้วยเงาของเราเองได้แก่ความคิดความตุ ง, งต่างๆที่เป็นไปโดยสม่ำเสมอออกจากจิต ท, ทุกเยร่ม่่ลาทํ า, ใ, าทให้เรา เ, เร่่่่่่่่ไไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่็่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่เ่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ แต่ความเชือกถือคือความหลงตามระนั้นมันเป็นความเป็นตัวจริงะไปเงี้ยมันจริงเป็นผลขึ้นมาให้เราับความเดือดร้อนเวลานี้ครูว่าจารย์ทั้งหลายที่ขอรพบูชาเป็นที่ขอรบบูชาและเป็นหลักทางด้านปฏิบัติและทางจิตใจก่อนนับว่าค่อยหลอลองไปโดยลำลักย์อีทยังมีชีวิตอยู่แม้แต่ท่านเองก็ไม่สามารถจะเลื่อท่อานเได้เกี่ยวกับเรื่องฐานดวงขัน ทำมุชชุชงงไปโดยลํำดับลาด า, าท่านแฟนขาวเป็นต้อนเห็นเห็นแล้วก็รูสึกสลดชงเวทเหมือนกันในเรื่องทาแสําคัญีนถึงเวลามันเพียบแล้วกลมเน้นไม่เคยมีความแข็งแรงเป็นจังอะไรมาแต่ก่อนเลยนอนอยู่ก็เป็นทุกข์นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์อยู่ในยาบทไดก็เป็นทุกข์เมื่อถึงคราวทุกข์รวมตัวเข้ามาแล้วเป็นทุกขกันทั้งนั้นเด ทุกของท่านผู้เช้นนั้นก็สับย่บเป็นไปต า, า, ามธาตุําคัญทางด้านจิตใจท่านไม่มีปัญหาอะไรกับเครื่องธาตุหรือขันที่แสดงตัวในสน่วนพวกเรานั้นมนคอยรับอยู่เสมอไม่ว่าทางด้านจิตใจไม่ว่าทางธาตุขันที่แสดงออกทิฏฐิผิดไปต่างๆนานาผิดก็ผิดไปด้วยเป็นธาตุขันมีวิมีการผิดก็วิวิมีการไปด้วยทั้งๆ ท, ที่จิตก็ดีๆนั่นแหละเนพราะความบันไหว ของจิตท่นเองเนื่องจากสติปัญญาไม่ทันท่านจึงสอนให้อบรมสติปัญญาให้มีความสามารถเจ้ากลา้าใ้ทันกัศนการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตและอาการต่างๆที่มีรอบตัวได้แก่ขันแสดงตัวออกในอาการทวิปริตอย่างไรก็ตามในส่วนใดก็ตามจิตไม่รู้เท่าทันกับจิงเหล่านี้นจิตไม่รู้เท่าเสียอย่างเดียว หลงตามสิ่งแต่นั้นเสียอย่างเดียวเท่านั้นก่อเสือเป็นการก่อทุกข์ให้ตัวเองอยู่ไม่หยุดไม่ถอยความทุกข์ก็ต้องทับผมเข้ามาทางจิตใจในร่างกายจะเป็นทุกข์ตามเรื่องของมันในหลักธรรมชาติก็ตามแต่จิตก็ต้องตะคว้าเอันนั้นมาเป็นทุกข์เผาหล่นตนเองหากไม่ได้พิจารณาให้รู้ทันนะปุ้ย ถ้ามีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอไทยที่จะเป็นเกิดขึ้นก็มีน้อยเพราะเกิดในที่แห่งเดียวกันคือจิตสติก็มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันคือความรับทราบว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นดีหรืชั่วเกิดขึ้นภายในตัวเอง สัญญาเป็นผู้ที่คลายเป็นผู้พิจารณาและแก้ไขอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นภายในจิตเรื่องก่นสงบลงไปแต่ถ้าขาดสติแล้วจะสิบต่อกันไปเรื่อยๆและความคิดความปรุงจะเกิดขึ้นดับไปดับไปก็ตามแต่เรื่องสัญญาความสาคัญมั่นหมายนั้นจะไม่ดับต่อกันเป็นสายยาเวเหยียดเลทุกข์ก็ต้องเป็นสายยาเวเหยียด แล้วก็มารวมอยู่ที่จุดเป็นที่รับเคราะกรรมทั้งหลายที่จะสังขารจะสัญญาที่ปุ่งขึ้นมาใจจึงเป็นภาชนะอันสําคัญที่หรับรับรองทั้งสุขและทุกข์ส่วนมากขอรับทุกข์าสติปัญญ า, า น, นั้นมีขรับตั้งแต่ของเตจ๊ของทิ้งของใช้ในไล่ของเป็นพืชเป็นภายนั่นแหละไหวภายในจิตใจถ้านี้สติปัญญาก็เลือกเต้นออก อันในดไม่ดีก็เลือกเส้นแบบทิ้งออกไปทิ้งออกไปสลัดปัดทิ้งออกไปไเรื่อยๆเนื่อแต่สิ่งที่เป็นสาระอยู่ภายในใจิตใจใจก็เย็นใจไม่ได้เย็นด้วยน้ําภายนอกไม่ได้สุบ ด, ด้วยสิ่งภายนอกแต่ใจเย็นด้วยด้วยอดด้วยธรรม มีความสุขด้วยอดุยธรรมหตกก็คือมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาการปฏิบัติต่อสินได้ก็ไม่ยากยิ่งกว่าการปฏิบัติต่อจิตใจภาระทั้งโลกนี้มารวมอยู่ที่จิตใจ ขะ ท, ที่เราจะแก้ไขสิ่งที่มันฝังตนอยู่ภายในมาเป็นเวลานานนั้นเป็นเรื่องที่ยากอยู่มากดีไม่ดีก็อาจท้อถอยเทําลงไปไม่ค่อยจะเห็นผลเนื่องจากจิตก็เลื่อนลอยในขณะที่ทําไม่ค่อยจดจ่อเอาจริงเอาจรงต่องานของตนที่ทําลงไปผลึงไม่ค่อยได้ปร า, ากฏเท่าที่ควร แล้วจะทําให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอหี่เกิดความท้อถอยภายในใจิตใจล้ะละทิ้งไปเสียโดยที่เห็นว่าหยุดจะ ด, ดีก ว, ว่าเพราะทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วหยุดไปแล้วมันก็ไม่ดีแต่ความต้องสําคัญของตนว่าดีกว่าวนั่นแหละมันเป็นเรื่องของจิตเอกที่มาหลอกลวงเราต่างหากไม่ใช่ความจริงถ้าเป็นความจริงแล้วตั้งแต่ทาอยู่มันยังไม่เห็นดี หยุดไปแล้วมันจะดีได้ยังไงถ้าอย่างว่าหยุดไปแล้วดีเนี่ยคนทั้งหลายก็ไม่จําเป็นจะต้องดำเนินงานต่อไปมันหยุดไปแล้วมันก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกก็ต้องดีภายในยก็ต้องดีเช่นทําการทํางานทําไม่ได้มากหยุดก็ดีกว่าถ้าอุตสาหพยายามทําไปเรื่อยๆทำไมมันจะไม่ได้งานก็เป็นงานที่ต้องที่ทําขึ้นถ้าเป็นงานที่เสี่ยงงานจะเกิดปรากฏผลขึ้นโดยชัดเจนอยู่แล้ว ทางหน้านจิตับภาวนาก็เช่นเดียวกันยากก็ทําง่ายก็ทําเพราะงานที่ควรจะทําเราไม่ทําใครจะทําให้เราเวลาความทุกข์ความลําบากมันพบร้อนภายใจิตใจของเราเราทำไมไม่บน่นไม่ไม่เห็นว่ามันยากเวลาเราสั่งสมเหตุของมันจะให้เกิดความทุกข์ความเดบืบดร้อนขึ้นมาทําไมเราไม่ถือว่ามันยากแต่เรามาบ่นให้ความทุกข์ผู้เฉย มันคือความพอใจมันไหลไปเลยเหมือนกำน้ามันไหลรวงทางต่างยากหรือ่ยากมันก็ไหลมันไปอย่นันเลยไม่ทรามันยากหรือไม่ยากแต่เวลาจะฝืนจิตฝยนใจนั้นมันก็เหมือนกับเราสายของเชนไม้อะไรให้ขึ้นที่สูงหรือบังคับน้าให้มันไหลขึ้นสู่ที่สูงมันลำบากเพราะทวนกระแสการที่จะละ ความทุกข์หาสิ่งที่ใจชอบไปตามวิสัยของจิตที่เป็นวัดตบนมันก็ต้องยากบ้างเป็นธรรมดาใครๆก็ยากแม้ท่านผู้สำเร็จนักผลมิพานได้อย่างง่ายดายแต่ก่อนท่านก็ยากถึงขั้นที่ง่ายก็ต้องง่ายแล้วเราเองถึงเวลายากก็ต้องยากแต่ไม่ใช่จะยากอย่างนี้อยู่เรื่อยไปถึงเวลาเบาบางที่ง่ายก็ง่ายเข้าไป กินได้เห็นผลเข้าไปโดยลําดับเนี่แล้วความยากมันก็หายไปเองเพราะมีแต่ถ้าจะเอาท่านอยู่สุดทุกข์ไม่ทำหนึง่งมีแต่จะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในสิ่งที่ตนต้องการแล้วขอสักการเรียนให้เรียนเรื่องทาาเรื่งขันให้ดูเรื่องทาาเรื่งขันที่เกี่ยวข้องกับตนนี่เป็นหลักสาคัญสําหรับนันนบกปฏิบัติทั้งหลาย ดูอยู่ทุกเวลาเพราะมันแปรยอยู่ทุกเวลาคำว่า น, นิจจังเป็นไอนนจังอยู่ตลอดกาลคำว่าทุกขังก็เป็นอยู่ตลอดกาลอนาตาก็เป็นอยู่ตลอดกาลการพิจารณาที่ให้เห็นไปตามเรื่องของมันที่เป็นอยู่ภายในตัวของเราจน ม, มีความพัฒนานหรือช่ำชองพิจารณาหลายครั้งหลายฝจิตก็เข้า อ, อเข้าใจแะเข้าซึ้งถึงใจแล้วมันก็ปล่อยวางของมันไปเอง ไม่ใช่จะพิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวลลลแล้วแล้วไปแล้ไปขอคอยแต่จะ ก, กอกเกลือเอาผมทั้งๆที่เหตุไม่ทําพอประมาณมันก็ไม่ได้นี่แหละเราฝืนเราฝืนความจริงครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ที่ทันได้ตราบดชื่อหรือนามให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาด้วยมาวนแล้วต่างแต่ท่านลอดตายมาด้วยทันทั้งนั้น ถ้เาเป็นงานเบาๆท่านจะรอดตายมาได้ก็ตกเป็นงานหนักถึงพุ่มเทกําลังกันนลยอย่างเต็นที่เวลานี้ก็าลอยล้อไปมากแล้วครูวาจานันผู้เชี่ยวชาญก็ดีมีน้อยเป็นที่เราหวังพึ่งท่านท่านาดุลทานดุลคันท่านเอบเป็นอนิจจังขึ้ น, งน่งพ่ายทุกการทุกเวลา แล้วเราพับพระจากกันไปดังที่เราเห็น อ, อยู่นี่แล้ ว, ลวทพานั้นต้องพยายามเอาโอวาทคำํำสอนของท่านเข้ามาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนตนอยู่เสมอท่านสอนว่าอย่างไรให้นําโอวาทของท่านที่สอนไว้แล้วนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองกว่าทว่าเราอยู่กับครูกับอาจารย์ตลอดเวลาหรือเหมือนนั่ง เ, เท่าพระพุทธเจ้าและเข้าเข้าพระพุทธเจ้าก็าทำประสงค์อยู่ตลอดเวลา อันนี้เป็นหลักสําคัญที่เป็นความแน่ใจสําหรับเราการอาศัยครูอ า, อาจารย์นั้นเป็นของที่ไม่แน่ได้ในบางการบางเวลาเรามีความพัฒนาคจากไปท่านพัฒนาเราก็พัฒน า, ท, า, ท, าท่านจากเราก็จากเพราะโลกอนิจจังมีอยู่ด้วยกันทั้งท่านกับเราให้คิดกันเลยสิ่งที่พอเราจะยึดเอาได้ก็คือยึดเอาหลักธรรมที่ท่านมาเป็นผู้ปฏิบัติสำหรับตัวเอ ง, เ อ, งเอาจูงเอาจังให้เห็นเหตุเห็ผล เพื่อจะเอาชัยชนะภาณใจิตใจชัยชนะอันนี้เป็นชัยชนะที่เลิ่องกรในโลกไม่มีชัยชนะใดเสมอเหมือนเลยการชนะตนคือที่เลสที่ถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเรานี้มาตั้งกลับตั้งกันแล้วจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะถือมาเป็นเวลานานสั่งสมความว่าเป็นเราเป็นของเรามานี้นับกับนับกันไม่ได้ถ้าว่าเป็น นั่นมัธยุแล้วความต่างผมมานานถึงขนาดนั้นเจ้าอะไรมาเทียบกัาในโลกนี้ถึงจะใหญ่โตยิ่งกว่าก้อนที่เดือดันหาอาชวาก้อนเราก้อนว่าเราเป็นของเราอะไรแบบนี้มีมากมายกล่องใหญ่โตมากเราจะมาขาดมาเถื้อมาสับมาฟันเพียงผนต้องหนังให้มันขาดไปนั้นมันก็เป็นแตนน่ม่ได้ต้องในทุ่มเทกําลังลงอย่างหนักหนาทีเดียว เตอนนี้ตอนที่จะจีง ช, ชนะกันเอาปุ่งเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องทอถอยต่อการรบกัคคิเลสที่มีอยู่ประตัวของเราความกัคคิเลสคือก้อนเรานั่นเองเราของเราอะไรเรเป็นเราทั้งนั้นนี่คือกัคิเลสแต่จะแยกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันตามความสัตย์ความจริง ในหลักธรรมชาตนั้นต้องแยกด้วยความภาคเพียนโดยทางสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณากันแยกภาตุาตกับธาตุสีเนี่ยธาตุสีนั้นรู้กันเต็มโลกเต็มอุ砂แต่ว่าจะจะรู้ถึงใจทราบซึงถึงใจจริงๆนั้นต้องทราบซึ้งโดยทาบปฏิบัติคือพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นทัตุเป็นแล้วก็ซึ้งไปเองถ้าเราไม่ซึ้งถึงใจแล้วไม่ต้องบอกมันต่อเองคือมันถึงใจ มื่รู้อย่างถึงใจแล้วก็ปล่อยวางอย่างถึงใจถึงใจการที่จะได้ปล่อยวางอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจต้องพิจารณาแล้วพิจารณาเราซ้าๆซักๆจนเป็นที่เข้าใจเราจะสําคัญว่านี่เราพิจารณาแล้วอันนั้นเราพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วในคราวนั้นแต่คราวนี้มันก็ยังไม่แล้วต้องพิจารณาให้จนถึงขั้นแล้วจริงๆถ้าแล้าจริงๆเขาไม่ไม่จําเป็นต้องพิจารณามันเข้าใจนีดปล่อยวางได้หมด คาธาตุก็ก้อนธาตุอยู่แล้วเขาบอมันวิญญาณกับธาตุเนี่ยถืงที่มาสัมผัสก้อนธาตุรูปก้อนธาตุเสียงก้อนธาตุธาตุอะไรๆมันก็เป็นธาตุทั้งหมดต่อเป็นขันภายในตัวของเรานี้ยรูปก็เป็นขันเจตนาก็เป็นขันธยาก็เป็นขันทั้งขานก็เป็นขันวิญญาณก็เป็นขันเป็นขันเป็นหมวดตป็หนึ่งเป็นชิ้นเป็นอันของเขาของเราอยู่การธรรชาติของของเขา เราไปรู้วก็คือผู้รู้นี้คือต้อพิสูจพิจารณาให้รู้แจ้งจริงอย่างนั้นโดยไม่ไประยึดเอาเหล่านั้นมาว่าเป็นตนเป็นของตนจะเป็นพารดหนักมากขึ้นจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นชัดตามเป็นจริงของหนแล้วก็อย่างหยิ่งทุกเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายให้ทราบชัดว่านี่คือเวทนาเพียงเท่านั้นเราอย่าปฏีความหมายให้มากมาเราเวทนาเป็นเราเป็นของเราหรืออะไรเป็นของเราเป็นนั่นเป็นเพื่อน ส่งโฉนดเจตนาข้างงลงขึ้นโดยลำดับแล้วประกขอบวามทุกขันสะองมากในเมื่อทุกเวทนาไม่ดับยิ่งมีความทุกข์ทางใจมากมายเวทนามันเกิดขึ้นในธาตุในขันอ่ะมันก็เคยเกิดอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาขณะที่ตกทอออกมาก็เวทนาแสนสะอาดรอดตายที่ไม่เป็นมนุษย์มาจะไม่เป็นเรียกว่าเวทนาจะเรียกว่าอะไรนั่นมันเคยเป็นมาตั้งแต่นู้นแต่มันละทางโดยของมันละไม่ได้ ทางองความทุกข์ในข้าในขันมันต้องแสดงตัวให้มันอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่อยมามันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันก็ดับไปมีเท่านั้นมีตั้งขึ้นนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าจะเวทนา น, นอกเวทนานในแต่พราะอย่างนี้เวทนานทางร่างกายเวทนาทีนะ่เห็นชัดรูปก็เป็นรูปที่เห็นชัดอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาเป็นอะไรอีกไม่เป็นอะไรถ้าจะเกิดสันตันยอรักเป็นเราเป็นของเราเป็น ก็ข้ามหากษัตริย์หรือเป็นขุ่น ม, มูลอะไเป็นอะไรกนแน่ใจเถอะเหมือนว่าไปตามโลกสมมุตินิยมของโลกเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงต้องเป็นความจริงอยู่วันนั้นคำ่ำทีนี้การพิจารณาของเราพิจารณาเห็นความจริงอันนี้นะรูปก็คือรูปพูด ป, ประแขง น, นี่ท่าสี่บินน้ำลมไฟรวมกันเข้าเรียกว่าคนนี่เป็นชื่ออันนึ่ว่าซัตว่วาญิงว่าชายแยกประเทศออกไป เป็นชื่อเป็นงามไม่สิ้นไม่สุดแต่สิ่งที่คงที่ก็คือว่ารูปก็คือกองรูปนั่นเองรวมทั้งหมดที่เป็นส่วนผสมนี้เรียกว่ากองรูปะรูปกายนี่เป็นความจริงนันหนึ่งแยกดูส่วนไหนก็เป็นความจริงของมันแต่ละส่วนและส่วนในขณะที่ประชุมกันอนนี้หนังก็เป็นหนังเ น, นืเอ้อเป็นเนื้อเอ็นก็ดูที่เราให้ชื่อให้นามเขา คือมันสืบต่อเนื่องกันมโดยมีรูปแบบเป็นรูปเป็นกายขึ้นมานี้มันมีชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่ไปหลงชื่อหลงนามของมันใ้เห็นว่ารวมแล้วสรุปความแล้วคือความจริงด้วยกันเป็นกองรูปเวทนาที่ปรากฏขึ้นเขาเป็นเวทนามันไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่เวทนามีทุกเวทนาเป็นต้นเวทนาเป็นเวทนาจะเป็นสุขขึ้นมาก็ตามทุกข์ขึ้นมาก็ตามเฉยๆก็ตามมันเป็นเวทนาอันหนึ่งต่างหากของมันให่เห็นอย่ชัดเจนสองอย่างนี้สําคัญมาก ยี่งกว่าสัญญาทั้งขาหนินงอย่างนั้นเกิดกดับดับช่อมไปทุกระยะยแต่ทุกเวทนานี้ถึงจะดับมันมันก็มีเวลาชา้านานต่างกันเพราะเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกเวทนาเกิดขึ้นให้จับทุกเวทนานั้นเป็นเป้าหมายเป็นการเป็นจุดที่พิจรารณาอย่าเห็นว่าเวทนานี้เป็นเดาเป็นความผิดจากหลักความจริงจะเวทนานั้น เราจะไม่ทราบความจริงของเวทนาและเมื่อไม่ทราบความจริงแล้วยังจะถือเวทนานั้นว่าเป็นเราอีกก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นอีกมากมายกลายคองแก่จิตใจของเราซึ่งเป็นทางผิดต่อหลักธรรมชาติหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ถ่าย ส, สอนให้จิตติมาให้เห็นในเรื่องทุกขเวทนาจะเป็นขึ้นในส่วนใดก็าตามของร่างกายให้ทราบว่ามันเป็นอาการอันหนึ่งของมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของมันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และหลับไปของมัน เราอย่าไปยุ่งเราอย่าไปปุงไปแต่งเราจะไปเวทสรรตั้งยอมัว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เห็นตามความจริงของมันในขณะที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็ดีตั้งอยู่ก็ดีระดับไปก็ดีมันมีเท่านั้นเยก่ยให้เห็นชัดด้วยสติปัญญาแล้วกำหน ด, ดดูเวทนาแล้วย้อนเข้ามาดูจิตว่าเวทนากับจิตนี้เป็นอันเดียวกันไหมและดูกายกายกับจิตนี้เป็นอันเดียวกันไหมดูให้ชดัด ในขณะที่พิจารณานี้ไม่ให้จิตมันส่งออกไปไหนให้ถือจุดใดจุดนั้นอ่ะเช่นผูกรเวทนาก็กําหนดให้ผู้กรเวทนาให้เห็นชัดย้อนขมาดูจิตก็ให้กําหนดดูความรู้นี่ให้ชัดว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมเอาไปเทียบเทียงดูความรู้อันนี้กับเวทนานั้นมันมีลักษณะเหมือนกันไหมมันพอเป็นอันเดียวกันได้ไหมแล้วรูปกายนี้มันเหมือนกับจิตไหมหรือมันเหมือนกับเวทนาไหมมันจะพอเป็นอันเดียวกันได้ไหมนั่น ดูเดี่ยววันแยกดูให้ดีก็รูปมันเป็นรูปมันจะเป็นเหมือนจิตได้ยังไงะจิตเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติที่รู้อันนี้ไม่รู้ธาตุอันนี้ธาตุไม่รู้ธาตุดินนี้ไม่รู้ธาตุน้ําก็ไม่รู้ธาตุลมไม่รู้ธาตุไฟไม่รู้แต่มโนธาตุนี้รู้เมื่อเป็นเช่นัน้นมันจะเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรแต่ทุกเวทนาก็เหมือนกันมันก็เป็นธาตุไม่รู้นะฮะเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ถ้าไม่รู้กับถ้าไม่รู้มันก็ต่างกันอีกเช่นเวทนากับการมันก็เป็นคนละอย่างมันไม่ใช่อันเดียวกันถ้ามันเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรการแย่การแย่ในขณะที่คือทุกพิพจารณาเวทนาดูให้เห็นชัดตามจริงเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวตายความตายไม่มีในจิตเราจะไปสงสัยจะไปสร้างฝวกสร้างน้ํามตักตนเองให้เจ็บแสบเดือดร้อนความตายมันไม่มี ในจิตนี้ไม่มีความตายมีแต่ความรู้ล้วนๆความตายไม่มีในจิตนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวร้อยเปร์เความสําคัญว่าตายนี่เป็นเป็นเรื่องความเสดสันต์ตั้งรอขึ้นมาให้แก่กจิตด้วยอํนานาจแห่งความหลงของจิตชัดเองเป็นผู้เส็ดสันต์ตั้งรอขึ้นมาหลอกตนเองอีกชั้นหน่งเมื่อพิจารณาเข้าไปตามความจริงแล้วจิตไม่ใช่ของตายแล้วจะไปกลัวตายหาอะไร คำวมาตายนั่นคืออะไรเราก็ทราบนั่นสลายลงไปเสื่อคนนั้นมีชีวิตอยู่นี่ทอมหมดลงให้แต่เขาเรียกว่าคนตายนั่นคือฟูแยกตัวออกไปจากธาตุ น, นั้นธาตุนั้นเลยมีแต่แต่กายเฉยๆมีแต่รูปธาตุเฉยเจริญา ก, ก็ไม่มีแล้วสิมีแต่ตายนั่นเขาเรียกคนตายความจริงมันไม่ได้ตายทำสิ่ให้พี่เจริ ง, งาดูให้ชัดเราไม่ต้อง สร้างเรื่องความตายขึ้นมาปักปันเจดแดนเรือมาจีบขวางทางเดินของเราเพื่อความรู้กินให้กินด้วยการพิจารณามันจะทุกข์มากทุกน้อยขนาดไหนให้กําหนดดูให้ดีในเรื่องความทุกข์นั้นเอาความทุกข์นั้นและเป็นหินลักปัญญาแยกทุกข์ขยายทุกข์ออกกับจิตแยกจิตออกจากทุกข์เทียบเทียงกันให้ได้ทุกสัดทุกส่วนในขนะที่พิจารณาอยากให้ถือไปไหนอา้าวจิต หลือจะตายตามสมมุติของโลกจะตายในขณะพิจารณาก็ให้รู้ว่าอะไรตายก่อนอะไรตายหลังเวทนาดับไปเมื่อไหร่แล้วจิตนี้จะดับไปเมื่อไหร่จะดับไปไปที่ไหนจิตนี้เพราะธรรมชาติของจิตไม่ใช่เป็นของดับเราจะไป บ, บังคับให้จิตดับได้ยอย่างไรพิจารณานดูให้ดีนี่ทาา่านเรียกว่าสร้างปัญญาให้เห็นความจริงภุกเวธนาจะเกิดขึ้นมากน้อยก็ตามในขณะนั้นจะไม่มีอํานาจเข้ามา บังคับบัญชาหรือทำจิตใให้กระทบกระเทือนได้เลยเมื่อเราทราบแล้วว่าจิตเป็นจิตเวทนาเป็นเวทนาปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามนี้แล้วต้องเป็นความจริงด้วยกันแต่ละอย่างละอย่างแล้วไม่กระทบกระเทือนกันกายก็สักแต่ว่ากายตั้งอยู่เฉยๆทุกเวทนาเกิดขึ้นกายก็มีอยู่ทุกเวทนาดับไปกายทุกส่วนก็มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของตนเวทนาเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของเวทนาตั้งอยู่เป็นเรื่องของเวทนาดับไปเป็นเรื่องใของเวทนาจิตเป็นผู้รู้เรื่อง ผู้พิจารณาตั้งขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่เป็นผู้ตั้งขึ้นเป็นผู้ดับตั้งอยู่ดับไปเหมือนเดียนาเราพิจารณาอย่างนี้นี่คือเข้าที่ทับขันให้พิจารณาอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวตายน้ารบเรื่องตัวตายไม่ใช่ ท, ทางธรรมของพระเจ้าเรื่องกล้าหาญต่อความจริงนี้เป็นทางธรรมเป็นหลักต่อขาธรรมที่จับได้ชอบแล้วให้ดําเนินตามความจริงนี้ตายก็ตาย เราไม่ต้องกลัวเพราะจิตไม่ในตากแต่จะขอให้ให้รู้สิ่งที่มีอยู่กับตัวว่าอะไรที่แสดงขึ้นเยลานี้หรือทุกขเวทนาเป็นต้นมันเป็นอย่างไรทุกขเวทนาดูเห็นตามความจริงเมื่อทราบตามความจริงแล้วทุกขเวทนาก็สัตกแปลว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีความหมายในตนเองหนึ่งและไม่ปรากฏว่าไปเป็นข้าศึกตอผู้ใดหนึ่ง เป็นความจริงของมันที่แสดงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของมันเองกายก็เป็นความจริงของกายที่ปรากฏตัวขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นความรู้ประจําตนไม่ไปคพากเข้ากับสินใดเมื่อพิจารณายุ่รอบแล้วจิตก็ถอนตัวออกมาเป็นความจริงของตัวโดยสมบูรณ์ทุกเวทนาเ ข, า, ข า, าจะมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเ ข, ขากายก็มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ขเขาโดยที่จิตไม่ไปเบ็ดแยกส่วนแบ่ส่วนวุ่นวายกับเขานี่เมื่อเป็นชนิดแล้วก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันทุกจะทุกขนาดไหนก็ไม่ไกระเทือนถึงจิตยิ้มได้ในขณะที่ทั้งทั้งจิตทุกมันเกิดอยู่มากมายนั่นเองจิตใจยิ้มได้เสมอเพราะจิตเป็นอันหนึ่งจากเวทนาไม่เข้าไปยุ่งเหยิงไม่เข้าไปวุ่นวายกับเวทนาไม่ไปข้าคข้ากับเวทนาให้เวทนานั้นเผารุนตัวก็สมายในการพิจารณาทุกวเวทนา เอาเวทานานั้นเป็นสนามโลกเป็นหินรับปัญญาเป็นสถานที่รับปัญญาให้คงกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาแยกแยะทุกเวทานาที่เกิดขึ้นแยกแยะดูการแยกแยะดูเวทานาอันไหนจะดับก่อนดับหลังก็ให้ทราบตามของจริงขอมันมีความเกิดมีความดับปุปจำตนของมันมีแล้วเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามสิ่งอันนี้มีเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่อย่า ง, งานั้นเป็นแต่เพียงว่าเราจะให้พิจารณาให้เห็นตามความจริงหของน ถึงไม่กินเกี่ยวกับธรรแล้วเราก็ดีสบายอัจะตายก็ตายที่กาโรโลกผมุทัยว่าตายตายมันเป็นไงเรียก ว, ว่าตายมันแต่เอาแต่ตายงานะอะไรสลายสลายลงไปผู้ไม่สลายอยู่อนะอะไรไม่สลายคือจิตจะสร้างปัญญาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นภายในตัวเองแล้วมันเป็นอย่างไรไม่มีความหวันห่นไหวต่อความร่วมความตายแต่จิตมีความแจกระสามารถ การพิจารณาเรื่องของตัวเองคือเรื่องของจิตพิจารณาเช่นนี้เราไม่ต้องกลัวกลัวไปทําไมพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวทําไม่สอนให้กลัวความจริงก็ไม่ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นความจริงจะน่ากลัวน่ากล้าที่ตรงไหนกล้าก็ไม่ไม่น่ากล้ากลัวก็ไม่น่ากลัวนี่หมายถึงความจริงล้วนแล้วแต่การพิจารณานี้ต้องมีความกล้าหาญ เพื่อดําเนินเอาชัยชนะเข้ามาสู่ตนไม่มีความกล้าหาญไม่ได้ในเวลาดําเนินนักต้องมีความกล้าหาญหรืออาจหาญองอาจไม่พลั้นทึงหวั่นไหวกับสิ่งอะไรทั้งหมดสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาจะาพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจทั้งนั้นไม่มีความท้อถอยอ่อนกําลังมีแต่ตั้งหน้าจะพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความจริงของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในกระแสของความรู้มีเสื้อ น, นักโรบ การกหารกหารอย่งนี้เป็นความถูกต้องเมื่อเราถึงจุดหมายปาทางแล้วความกล้าก็หายไปความกลัวก็หายไปเพราะเข้าถึงขั้นผลอันสมบูรณ์แล้วความกล้าความกลัวนี้ไม่ไม่มีปัญหาทั้งหมดความหมายไปเองแต่ลานี้ความกล้าความกลัวนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งสําหรับผู้ดําเนินจึงต้องสร้างความกล้าขึ้นด้วยเหตุผลที่ควรกล้าและเป็นนักต่อสู้ในสิ่งที่ควรจะสู้มีผูกเรทนนาเป็นต้นให้เห็นตามความจริงของมัน แต่ไปกลัวพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวกลัวก็ดีก้าก็ดีความตายมีเท่ากันถึงวันแล้วต้องแตกต้องสลายท่านเรียกว่าความตายแต่ยังไงก็ตามนักปฏิบัติให้รู้ก่อนสิ่งเหอันนี้ก็แปรสภาพลงไปคือรู้ด้วยปัญญาเอาตาขา่ย า, า, ขายคือปัญญากางไว้หมดอะไรแสดงออกไปก็ไปติดข่ายคือปัญญาขวดทั้งนั้นแล้วจะวันไหวไปไหนจะเอเียงไปไหนจะทุกข์ทรานที่ไหนเพราะเป็นไปตามความจริงที่ได้พิจารณาไว้แล้ว นี่นักลบกท่นานพิจารณาอย่างนั้นี่ในท่ามการแห่งขันที่เป็นไฟทั้งกองท่านก็เป็นความล่มเย็นเป็นสุขอยูโดยปกติของจิตที่รู้รอบขอบคิดแล้วไม่เอ็นไม่เอียงไม่หวั่นไหวไปตามอาการาทั้งหมดนี่คือผู ร, รอบอาการเมื่อคนได้กับทนตายพอค น, นก็น่าจะทนกันตายปฏิบัติรักษาบำรุงกันไปเยียวยากันไปพากินพานอนพ ดื่มรักษามันไปตามธรรมชาติของมันเมือ่อมันไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วยังไงก็มีแต่จะไปถ้าเดียวก็ปล่อยเท่านั้นนี่คือความจรินจะสูมันได้ยังไงปล่อยตามความกิงนั่นแหละชื่อว่าปล่อยด้วยความรู้เป็นไปตามความจริงจิตก็ไม่หลันไหลจิตไม่อะไรไม่เสียดายนี่คือหลักของการปฏิบัติที่จะให้ได้ชัยชนะ ภายในจิตใจงตนเองเพราะจิตน้ําแท้กับพิเลนสันหามาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยชนะมาเลยตั้งแต่กําไหนกันในดนยูต้านนาถแห่งความชนะของพิเรนที่เรานอนจมอยู่กับความแพ้ตลอดคราวนี้เราจะคลิกตัวขางเราโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่อ ง, อ ง, องต่อารตามพิเรนอาสาะซึ่งเคยชนะามาตลอดหรือเป็นเจ้าหนายเจ้าใหญ่นายโต ในวัฏ จ, ะจะักรป้งคับติดใจของเราเข้าไปสู่ที่นั่นที่มีดคราวนี้เราจะตั้งหน้าสู่ให้เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นชัยชนะเพราะเอาชัยชนะจากความที่เคยแพ้นั้นมาฟองเป็นของตัวด้วยอำนาจของสฏิปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนไม่ลดละนี่คือผู้ได้ถึงแดนแห่งความปรเสริฐนี่คือผู้ ได้ถึงแดนแห่งความชนะอันเลิศประเกิดคือชนะตนผู้เดียวนีเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐภายในตนของตนนะตั้งแต่ขณะ น, นั้นแล้วขึ้นชัวนที่เล็กเป็นอันว่าหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงสิ่งที่จะมากอาม่อปวนจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนดังที่เคยเป็นมานั้นเป็นอันว่ายติหรือว่าขาดกันไปเป็นคุนโลกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะ่าลืมว่าความเพียรเป็นสําคัญเป็นเครื่อนสนับสนุนสติปัญญาเป็นผู้ก้าวหน้าทํางานปัญญาเป็นสำคัญมากที่ต้องพิจารณาต้นควาในให้เห็นเหตุเห็นผลสติเป็นผู้บังคับงานอย่าให้เถือเมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นแจ้งตามไปกินในต่างต่างๆมีขันห้าเป็นต้นเนี่ยที่เลดจะไหลเข้าไปสู่ภานจิตทั้นหมด ไม่มีทางยึดไม่มีทางเกาะเพราะถูกทําลายคิดหายผลปี้ไปด้วยปัญญางั้นนอกจากนั้นก็เข้าตีต้นในตุกที่ไล่ค่าสุดเข้าไปรวมแล้วกระจายออกภายในจิตใจไม่มีอะไรเหลืออท่านที่เดียตายตาที่กงนั้น่ะตายที่ ก, ง, กงมันมีขับใจ น, นัมันอาศัยที่ไหนในเสื่อมอำนาจหรือคิดหายป่แตะกตายไปที่นั่นด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัย กานทันเดว่าชนะความช น, นะอันเลื่ชนะที่ตรงนี้ศานารวมรวมแล้วรวมอยู่ที่จุดนี้มาจุดวาระสุดท้ายขอยงการปฏิบัติศาสนาก็มายุติกันลงที่ตรงนี้มาหยุดงานกันที่ตรงนี้ชนะกันที่ตรงนี้ถึงแดนของความพ้นทุกกันที่ตรงนี้นอกนั้นไม่มีากานก็มีเพีสถ า, านที่ก็ไม่มีอดีตอนาคตไม่มี ปัจจุบันรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทั้งหมดเป็นผู้หมดเรื่องหมดราวมีทางเลือกมาถึงนี่ผ่านทั้งไปที่นีน้เที่ยงแน่และจิตอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยหลอกลวงจิตนั้นไม่มีเหลือแต่ควา ม, มรู้ล้นล้วนขันแหนจะปรุงแต่ขึ้นมาตามธรรมชาติของมันที่มีอยู่ในขันต่างๆ ดูประคันเยทนาสัญญาตั้งขันยุยานขันนั่นก็แสดงอยู่ตามเรื่องของมันซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยรูปมันก็มีอาการแสญญาารงงดงไปตามเรื่องของมันเยทนาสุดทุ่งบ้างที่ปรากฏในขันก็แสดงประตามเรื่องของมันสัญญาความําได้ไหมลูก็เป็นระตามเรื่องของมันสั้งขานความปรุงก็ปรุงตามเรื่องของมันยุญาณความรับภาบไห เมื่อสิ่งภายนอกเข้ามากระทบกาหูจมูกลิ้นการจิตมันก็นับทราบระดับไปดับไปตามธรรมชาติของมันโดยไม่ยั่งจิตใจให้กำเนิดเหมือนยังแต่ก่อนเพราะสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้กำเนิดนั้นได้ทำลายได้ถูกทำลายทั้งหมดแล้วไม่มีเหลื อ, ลอจึงเรียกว่าเป็นขันลรุนร้วนคือพูด ถ, ถ, ถ, ถึงอนิพานอยู่ในใ ห, หว่างแห่งขันรุนร้วนอนิพานทั้งเป็นแต่สิตที่โดยสิท ไม่ถามละจริง น, นิพานอยู่ที่ไห น, นจะได้ถามหาอะไรเพรนิพานคืออะไรธรรมนิพานก็คือชื่ออันหนึ่งธรรมาชาติที่ให้ชื่อ น, นิพานนั่นแหละคือตัวจริงแท้ตัวจริงนั้นเมื่อถึงตัวจริงแล้วจะไปถามหาชื่อหาเสียงหาร่องหารอยที่ไหนอีกไปงมเงาไปที่ไหนอีกไม่งมผู้รู้จริงๆแล้วไม่งมไม่อยากไม่หิวถึงความพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโดยสมบูรณ์ การแสดงธรรมก็เห็นมากเพีนควรขอให้ผู้ปฏิบัติทา้งหลายนำปฐมปริญญาให้เห็นความจริงดังที่กล่าวมานี้เราจะเป็นผู้สมบูรณ์ดังคมที่พูดนี้โดยสมบูรณ์ภายนจิตใจของเราอละพนะยุติ